พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าใครกินใครอิ่มวันนี้เป็นวันที่18 สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ขั้มเดือน9เดือน9เพเข้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดีวันนี้พวกเราที่สมาทานศีลในวันเข้าพรรษาก็ได้ 4, 4วันพระเพราะหนึ่งเดือน ยังเหลืออีกแปดยังอีกแปดวันที่จะครบกาหนดสิบสองวันวันนี้ก็เห็นศรัทธาญาติโยมมาไหวพระสมาทานจิน๋นพร้อมเพียงมีมากตามปกติแต่ึงยังไงเขาขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่าน ประกอบคุณงามความดีไว้ในจิตใจเป็นของใครของใครของเรามันถึงเมื่อจุดจบไปแล้วแบ่งกันไม่ได้เหมือนกระตูแวนวันนี้และที่พวกเราไปเผาประชุมเพลิงเมื่อตอนบ่ายท่านก็เป็นของท่านไม่มีใครที่จะ แบ่งสรรปันส่วนจากให้ท่านของท่านได้ท่านเอาไปของท่านเต็มเต็มแต่พวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อุทิศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อยากจะให้เหมือนตัวเองทำเองนั้นไม่ได้เหมือนกเราไปทำมาค้าขายเมือ่อทามาค้าขายได้เงินมาแล้วาการที่จะแบ่งให้คนอื่นที่เป็น ยากจะนิดมิตรสหายแล้วก็ให้ไปบ้างแต่จะให้แบ่งให้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของตนเองนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่พวกเราทำบุญมาแล้วเราก็บแบง่งอุทิศส่วนกุศลให้แต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่าน<ม>การสังสมบุญเนี่ย เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องทำเมาเองทำให้มากที่สุดทำให้ดีที่สุดเพอเราได้เกิดมาได้พบพบพระพศาสนาแล้วควรจะตักตวงเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราถ้าเราไม่ทำใครจะทำแทนเรานะทำแทนกันไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวเราจะรับทานอาหารแทนกันไม่ได้ ใครทานกับใครอิม่มนี้ก็เหมือนกันนะั่นนะตูแวนได้จากไปแล้วอดวงพ่ออยากจะถามพวกเราท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันใครจะเป็นคิวต่อไปฟังๆไว้นะมันต้องมีคิวต่อไปแน่ๆพอเหตุายเพราะเราเกิดมาในโลกนีอ ขานี้ตาข่าขาวหน้าตาเองมันเป็ น, เ ป, นเป็นได้ทั้งหมดนะเพราะนั่นพวกเราควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ต, ต่อไปภายภาคหน้ามันจะเป็นตาของใครเราก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวล่วงหน้าได้แต่พอมันเจอเข้ามาเราจึงจะรู้ว่า เออเป็นตาของคนนั้นรับไปแล้วก็ต่อไปอีกจะเป็นคิวคิวของใครนะก็ต้องพูดไปอีกนะเพราะชีวิตของพวกเราทุกๆท่านมันไหลไปสู่มรณะภยัยทุกๆคนพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังก็อย่าให้ อยากจะให้อยากจะตื่นพวกเราทันทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบูรณ์กุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามความสามารถของเราที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วตรงพ่อแนะนำมาแล้วมากต่อมากอยากจะให้พวกเราลงมือปฏิบัติ อนี่แหละเราไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากพอตกค่ําคืนมาแล้วกเออเอาไหว้พระ อ, อถ้าหากว่ามีสามีภรรยาก็ไปไหว้พระด้วยกันก็ได้นั่งไหว้พระสวดมนต์เท่าที่จะสวดได้แจกจากนั่นก็เอาไปนั่งภาวนาการบำเพ็ญบุญบาร ม, มาีให้ไปด้วยกันจะเป็นบุญเป็นกุศล เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันมีแต่ความสุขกายสุขใจเพราะนั้นการนั่งภาวนาแล้วกัการรักษาศีลการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นคือเราตักตวงบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพื่อจะเดินทางไปสู่ประโลกภายภาคหน้าถ้าหาว่าพวกเราไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศล ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีนะ่มันรู้สึกว่าเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรล่ะเราไม่ได้พึ่งเราจะไม่ไม่ไม่มีสิ่งสิ่งที่พึ่งพาอาศัยนะแต่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเมื่อเลือกถึงคุณงามความดีของตนเองเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพบพุทธศาสนาแล้ว พยายามประกอบคุณงามความดีสร้างบุญนี่แหละเราไหว้พระไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็นั่งภาวนาสงบจิตสงบใจของเรามันเป็นความสุขนะถ้าเราฝึกหัดได้แล้วมันเป็นความสุขในจิตใจลึกๆเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวได้สอนเอาไว้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกระดับที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านยอมรับกันทั่ว น, นาท่านจึงได้กล่าวเป็นพุทธภาศิตวันนัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละจิตใจเข้าสู่ความสงบและมีความสุขนะพวกเราท่านทั้งหลายท้าวาจิตใจว้าผุานขุนมัวจิตใจละทถมทุกจิตใจ ปงฟงซ่านเราจะหาความสุขได้อย่างไรมีแต่เรื่องทุกข์เท่น่ะเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราประกอบสร้างบุญสร้างกุศลประกอบประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าว่าบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราจะอยู่ณสถานที่ใด เราไม่ว้าเวเราไม่จะทกสะทานถึงจะตายเวลาไหนก็ตายอย่างพระหันสั่นสร่างบารมีของท่านเต็มเปี่ยมในจิตใจแล้วถึงจะตายเวลาไหนท่านก็ไม่กลัวไม่จะทกไม่สะทานพร้อมที่จะไปท่านอยางยกขึ้นอีกว่าทิ้งภาชนะดินไปรับภ า, นะาชนะทองคำ แาชนะดินเหมือนจานดินนะฉะนัจานกระเบื้องจานดินแล้วก็ไปรับภาชนะจานจานทองคําที่มีคุณค่าเหนือกว่าจนเทียบกันไม่ติดนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันการบําเพ็ญกุศลถ้าว่าพวกเราบําเพ็ญประกอบคุณงามความดีอในบุญในกุศลเต็มเปี่ยมในตัวของเราแล้วะ เราจะไปนักสถานที่ใดเราไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหวทางม้งเพราะอะรเพราะว่าเรามีบุญในจิตในใจของเราจะตายเมื่อเมื่อไหร่ก็ไม่คิดวิตกกังวลจะอยู่ในเป็นชีวิตจะอยู่ยังอยู่หรือเอาบำเพ็ญประกอบคุณงามความดีต่อไปอสร้างช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติโลกต่อไป ถ้าเมืองคราวหมดอายุสังขารหมดอายุไขเละนะ้าเหลือท่านก็พร้อมที่จะล้างมือไปแบบสง่าผ่าเผยไปไม่สะทกสะท้านไม่ไปแบบไม่ทุกขกกทุกใจเพราะเหตุไรเพราะท่านบาเพ็ญกุลงามความดีเต็มเปี่ยมในจิตใจของท่านแล้วนะ่ายาจะให้พวกเราทุกๆท่านนะ นี่แหละประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวศีลก็ยากจะให้ขาดตกปกพ้องเรื่องทานก็ควรจะมีเพราการบริจาคทานเป็นถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้อนในสงทานก็จะเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของเราในภพภูมิต่อไปที่เราเกิดในภพภูมิภายภาคหน้า อันใ้สงทานที่เราได้ทําไว้นะ่ะมันมันไม่ไปไหนฮะมันจะเกื้อกุลหนุนทางด้านจิตใจของเราเออย่างที่พุทธภาสิทธิรงพอยกแล้วยกอีวุปุญญาณิปัโลกัตเสมิงปุญญาณิปัโลกัตสมิงแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งโลกปุญญาณิปัลโลกัตสมิงปฏิทถาโหนติปานิ่น่ง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาท่านไม่ไว่าท่านไม่ไว่าแต่โลกนี้อย่างเดียวนะถ้าคนทําคุณงามความดีโลกนี้ไปนะักสถานที่ใดใครใใคร ใ, คร ใ, ครใครก็ยอมรับทั้งหมด อ, อยากจะเป็นพักเป็นพวกอยากจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงอยากจะเป็นให้เป็นหัวหน้า อ, อยากจะให้เป็นผู้นําถ้าผู้มีเงินเองผู้มผีผู้เสียสละเกื้อกูลหนุน ชุมชนสังคมแล้วนะเขายอมรับในโลกนี้ไ ป, ปรปละโลกเบื้องหน้ากระบุญกุศลก็เกิดกุนหนุนไปเกิดในภพภูมิใดดีกว่าทุกคนที่เขามีบุญน้อยกว่าเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แนะ่ะ ใ, ให้สั่งสมบุญเราเกิดมาได้พบพบะ พ, พุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ อันนี้ก็มีหลงพ่อมิเตะกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทสังสมสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราถ้าเมื่อเราตายไปแล้วก็หมดโอกาสหมดอหมดเวลาเวลาหมดโอกาสที่เราจะประกอบคุณงามความดีมิเตะสวยปุ่นผลผลบุญเก่าอะไรจะไนกินของเก่าแล้วจะไหนคลายเขาว่า เราไปต่างประเทศเราไม่ได้ทําไร่ทํานาไม่ได้ทาเงินเดือนเราไปต่างประเทศเราก็มีแต่ไปใช้เงินพอหมดเงินแล้วก็กลับมามากลับมาสร้างใหม่อีกพอไม่แล้วก็ไปอีกนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อตายไปแล้วคนะเราก็ใช้บุญเก่าไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าที่ใดที่หนึ่ง เราก็กินของเก่ากินของที่เราได้สร้างไว้ในเมืองมนุษย์พอหมดบุญแล้วก็กลับลงมาเกิดเอกเกิดคราวหน้า เ, เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าเกิดในสถานที่ดีก็ได้บาเพ็ญคุณงามความดีแต่ไปเกิดในสถานที่ไม่มีพระศาสนาไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเกิดผิดที่ผิดทางตายและเกิดชาตินั้นไปว่าเปล่าประโยชน์ เปล่าประโจชน์ยังแล้วยังให้โทษอีกต่างหากอันนั้นเป็นว่าเกิดมาผิดที่ผิดทางเราเพลย์สังสมคุณงามความดีพนธอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาในภพนี้ชาตินี้ในพบพบขดสารศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดเทพฟังก็ได้ฟังธรรมะของท่านทุกวี่ทุกวัด เปิดหนังสือมาก็ได้อ่านได้อ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจในธรรมคำสอนล้วนแล้วแต่เราพวกเรามีบุญได้ศึกษา แ, กแตกต่างกว่าสมัยเก่าแก่เก่าก่อนนะก่อนที่จะไปพบครูบาอาจารย์ได้โอ้เดินเป็นหลายวันหลายเดือนก่อนจะไปพบครูบาอาจารย์ได้จากนั้นจะได้แนะนำสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละคราว ออย่างที่ครูบาอาจารย์สมัยรุ่นรุ่นเก่าๆหลวงปู่จามเนียหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมหลงปูงปงปงปงป่เทศเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ เ, เดินทับนับหมอนรถไฟไปคือหมอนรถไฟนะั้นมันเป็นหมอนหมอนรถไฟมันก็ห่างพอดีเก้าพอดีเก 50, 50, 50, นะ้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบไปหกสิบเอย ก้าวนับไปเรืเอ่อยนานเท่าไหร่จรึงจะถึงเชียงใหม่เป็นเดือนสองเดือนสองสามเดือนจึงจะถึงเชียงใหม่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเทศนาก่อนจะได้รับการอบรมมันไม่ใช่ธรรมดาแต่พวกเราทุกวันนี้เปิดวิทยุขึ้นมาเสียงวิทยุออกมาเราได้ฟังเลยธรรมเทศนาการแนะนำสั่งสอนของท่าน ร้วนแล้วจะมีสาระมีประโยชน์ที่ทพวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราได้ตลอดไปเลยเพราะนั้นพวกเรานะับพ่อโชคดีนะคณะทายาทโยมอย่าให้ความโชคดีตอนนี้ลดาหายไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจเราจะเสียใจเมื่อภายหลังต่อไปหลวงพ่อจะไม่ไม่พูดอะไรมากาไฟดับแล้วนะีย เอาต่อนนี้ไปก็ให้ครูบาเปิด M.P. 3เกี่ยวกับการประพุตธปฏิบัติให้กับคณะญาต่ญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาแต่ทำไมหลวงพ่อจะไม่ได้เปิดขององค์หลวงตาแตาไมแตไมก่อนหลวงพ่อเปิดนะเพราะหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายเปิดกลางคืนเมื่อไหร่ก็ได้ยินเสียงหลวงตาทกคืนเว้นเสียแต่เราจะไม่เปิดวิทยุเพราะนั้นหลวงพ่อจึง ไม่ได้เอาจุดนั้นมาเปิดให้กับพวกเราคณะจัทาญาติโยมลูกหลานฟังแต่ของหลวงพ่อไม่ได้ออกทางวิทยุนะมาเจอที่วัดหลวงพ่อกพูดสดๆให้ฟังอย่างนี้แหละให้พวกเราทหลาทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าตอนนี้ไปก็เปิด MP3 านะเอาพวกเรานั่งสมาธิในะที่ห น, นะ